พรรษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะจำบัสายที่เปรษารีแล้วก็ออกบรรษาและพระองค์ก็เสด็จไปเมืองกุสินาลาอย่างที่เรารู้ว่าเป็นที่ที่พระองค์จะปริสิทิพาน ก็ระหว่างทางนะคงก็ผ่านเมืองเมืองหนึ่งนะจะว่าเป็นเมืองหรือว่าเป็นคงเป็นเมืองกันนะชื่อหัตถีคามคามก็หมู่บ้านนกะ็ <c oughs> ในเมืองนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ารวยมากนะชื่ออุคตะ ขหบ ด, ดีนะอุคตะหรือว่าอุคตเนี่ยตอนที่พระองค์เสด็จผ่านเมืองนั้นอุคตะก็กำลังเฉลิมฉลองให้คนมาฟ้อนรำตัวเองก็เสพทางตาด้วยนะเสพทางปากด้วย ปาก็กินแล้วก็ดื่มนะกินเหล้าเนาะดูผู้หญิงฟ้อนรำไปตัวนก็กินเหล้าไปมาเมาก็ฉลองในเจ็ดวันเจ็ดคืนก็เมาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่แหละคล้ายๆกับสันตติอามานะ ที่ได้ที่พระเจ้าประเสนีโกศลให้ของราดอีกเจ็ดวันแต่ว่าองสันสเตร ม, มานี่มีคนตายนะคนที่ฟอ้อนลำเนี่ยเกิดตายขึ้นมาในวันสุดท้ายสันสเตร ม, มานี่ส่างเมาเลย แต่ว่าอุกตะขคาบดีนี่ก็ฉลองจนจบนะไม่มีใครตายก็บังเอิญผู้เจ้าเสด็จผ่านพออุกตะขคาบดีเจอผู้เจ้านั้นแหละสั่งเมาเลยที่เมาอยู่นี่หายเป็นปิดทิ้งเลย แล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมส่วที่จริงพูดถึคือได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอนาคามีเลยเมื่อกี้ยังเมาอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นพระริยาเจ้าแล้ว พอบรรลุธรรม น, นี่ก็สละหมดเลยนะผู้หญิงนางระบำนางฟอลามีปล่อยให้เป็นอิสระเพอาเพื่อนได้รู้ว่ามันเป็นสมบัติที่มีค่าน้อย สู่ธรรมะสู้ธรรมะดาได้ธรรมะนี่โอ้มีคุณค่ากว่าแต่ก่อนหวงแหนนะนางรำพอรู้ว่าพอได้เห็นธรรมก็รู้ว่าอริยรัพหรือว่าสัพที่ประเสริญนี่คืออะไรรู้ว่าความสุขที่ดีแท้คืออะไรเป็นก็ปล่อยเลยนะนางรำนางระบาทั้งหลายให้เป็นอิสระ คนเรานี้คงเป็น่าตวนะสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าธาตุนี่เป็นสมบัติเป็นสมบัติอย่างหนึ่งสมัยนี้เราโชคดีด้วที่มันไม่มี่าตแล้วเพราะว่าถ้ามี่าตอยู่นะคนที่เป็น่าตนี่ก็ก็คือสมบัติดีๆของเจ้านายนี่นะ ก็จะใช้ทำอะไรก็ต้องทำสายพุทธการมีธาตุนะมีธาตุเยอะมากพวกเศรษฐีผ ว, กวก้กระสันี่มีรู้แล้วแต่มีธาตุทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติราคาแพงนะคนหนึ่งคนหนึ่งก็หลายช่างหลายตำลึงนะช่างนี่ก็คือ8ปบบาทบาทสมัยก่อนนี่มันก็มี มีค่ามากกว่านี้เยอะสามสตังก็ซื้อเกี๋ยวซื้อข้าวกินได้คือพอเห็นทมแล้วนี่ก็จะรู้เลยว่าไอ้สมบัติเหล่านี้มันมันบมีค่านะก็มีอยู่แต่ว่าสู้ธรรมะสู้ธรรมะบ่ได้ อันนี้เงินที่เพื่นมีก็เพิ่นก็รู้จักใช้แล้วแต่ก่อนนี่เอาไว้เอาเงินไปใช้เพื่อเสพสุขเพื่อบำรุงบมรงเรอนะเป็นการมาสุขนะเพื่อนก็เอาเงินเนี่นะทำบุญทำกุศลถวายพระก็เรียกว่า ถวายพระนี่ไม่เลือกหน้าเลยนะก็มีเทวดามามาบอกว่าพระองค์นี้นี่เป็นพาริยะนะพระองค์นี้เป็นได้ฌานสี่ฌานห้านะพระองค์นี้เป็นแค่ปุถุชนนะมาบอกเพื่อให้ อุคตาค้าบดีนี่ให้ทานกับพระที่มีคณในวิเศษนะคืออยากให้อุคตาข้าบดีนี่เจาะจงให้พระรุ่นไหนที่มีคนในวิเศษก็ให้องค์นั้นแหละถ้าพระที่ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ต้องให้หรือให้น้อย แต่อุกตาข้าวดีนี่บอกว่าไม่สนใจจะเป็นพระชั้นไหนมีคุณวิเศษอย่างไรเราก็จะให้เสมอกันเรียกว่ามีจิตสม่ำเสมอนะกับพระทุกลูกอันนี้พู้เจ้าก็สรรเสริญนะว่าเป็นผู้ที่เป็นเลิศนะในเรื่องการอุปถาพระสงฆ์ คือเพื่อนบอได้เรื่องนะว่าโอ้ถ้าพระองค์นี้เป็นพระธรรมดาไม่ให้นะจนให้ให้เท่าเทียมกันหรือว่าท่วนหน้ากันอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญ น, นะเพราะว่า พระที่มีคุณพิเศษเนี่ยเช่นเป็นพระอาหารหันต์เพื่อนก็เริ่มต้นมาจากเป็นพระธรมธรมดาธรรมดาอาจจะไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อบรรลุธรรมได้ซ้ำอย่างพระที่มีชื่อเสียงไหลวงพ่อชาหลวงตามหาบัวน่ยหลวงปู่ดุล ส่วนใหญ่นี่ก็บวชเพื่อตั้งใจบวชตามประเพณีท่านแหละบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บางคนก็บวชนะเพราะว่าอยากสบายลำบากเป็นเด็กกาพร้ามาบวช ด, ดีกว่ามีข้าวกินก็คิดแค่นี้แหละบวชเนนแล้วก็ค่อยบวชพระ บางคนก็เป็นขอทานลำบากเห็นว่าบวชพระแล้วมีกินนะก็มาบวชแต่ท่านเหล่านี้แหละอยู่ไปอยู่ไปก็ก็กลายเป็นพรทริยะบุคคลขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนเห็นธรรมขวนขวายใส่ใจในธรรม นั้นถ้าเราเลือกให้แต่พระที่มีคุณวิเศษแล้วแต่พระธรรมดาธรรมดาหรือว่าเนรนี่ถือว่าธรรมดาเกินไปนะบสนใจก็ถือว่าปิดโอกาสเพิ่นนะีเจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนจกนกระทั่งได้เป็นพระริยบุคคลนะ ไปอาาริยเจาทั้งหลายท่านก็เริ่มต้นมาจากพระที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละเป็นปุตุชนเหมือนเรามีโลภมีโกร ธ, ม, กรธมีหลงเหมือนเรานะบางทีก็ประพฤติตัวอาขาดขาดเ ข, ข, ขินเขินบางทีก็อาจจะพูดจาไม่เรียบร้อยนะ ถ้าเราเอาแต่ทำบุญแต่พระที่เรียบร้อยพระที่เพื่อนฝึกฝนมาดีแล้วนะแล้วก็ละทิ้งพระที่อาจจะเร่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่มันก็ทําให้พระเหล่านั้นขาดโอกาสที่จะได้ปรับปรุงฝึก ฝ, กฝกพนพัฒนาตนนะก็ต้อง ก็ต้องุดหนุนนะด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ให้คําแนะนําสั่งสอนโยมก็สอนพระได้เลยสอนพระสอนแนะนําบางทีเพื่อนแบบมีครูบาอาจารย์พอได้โยมให้คําแนะนําสั่งสอน เ, อเพื่อนก็รู้รู้หลักรู้ว่าอะไรควรอะไรชอบเพื่อนก็ปฏิบัติ ก็กลายเป็นพระที่มีคุณงามความดีแล้วก็เมื่อได้ฝึกฝนพัฒนาตนก็มีคุณนิพิเศษนะจิตตคบดีอุคตะคาบาดีเาาาดพื่นก็คงจะคิดทำนองนี้แล้วว่าจะเป็นพระที่ธรรมดาหรือพระจะมีคุณนิพิเศษเพื่อนก็ถวายทานเท่ากันไม่เลือกที่รักมากที่ชัง น, นี่ก็เป็นแบบอย่างของอุบาสกนะเพราะว่าอุบาสกสมัยนี้ขารวาสมัยนี้ก็เลือกแต่จะทำบุญเฉพาะพระที่มีคุณวิเศษรือพระที่น่าเคารพพระที่มีความรู้ความสามารถส่วนพระที่เป็นพระธรรมดารรมดาความรู้น้อยอาจารละบ่งงดงามเพื่อนก็ไม่เอาถือว่า ไม่ทำบุญถือว่าได้บุญน้อยคนสมัยนี้ทำบุญเพราะอยากจะได้บุญมากๆบุญที่ว่าคือความร่ารวยความมั่งมีแต่คนสมัยก่อนนี้ทำบุญเพราะนึกถึงผู้อื่นนึกถึงผู้อื่นก็ทำบุญทำบุญให้เนรบ้างทำบุญให้ให้พระเล็กๆพระน้อยๆบ้าง สังฆราชเนี่ยองค์ที่เพิ่งเสียเนี่ยนยะเวลาเพื่อนไปบินธบาตกลับมานี่ได้หลายนะเพื่อนก็เอามาแบ่งนะเอามาแบ่งให้แบ่งให้พระหนุ่มเนนน้อยเพราะบางทีเนนก็บินธบาตก็บม่ค่อยได้เพื่อนก็ามาแบ่งใส่บาทนะได้มาก็มาไม่ใช่แบ่งอในจานนะเพื่อใส่บาทให้เลยนะ วง่ ม, มั่นก็คือกันนะเพื่อนได้เพื่อนมีวัดอันนึ่งคือการใส่บาตรใส่บาตรให้ใครใส่บาตรให้พระเล็กๆน้อยๆใส่ให้ลูกศิษย์นั่นแหละบางคนก็เพิ่งบวดได้สองสามนพะันษาแต่ว่าเพื่อนเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อนก็ใส่บาตรสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารยนะ์เพื่อนก็ ได้บาทได้ได้ได้ข้าวมานะก็มาใส่บาทให้ลูกศิษย์นะเป็นการแบ่งปันกันนะไม่ใช่คารวะท่านที่ใส่บาทพระนะพระก็ใส่บาทให้เนรได้เหมือนกันนะอันนี้จิตะตะอุคตะคาบดีเนี่ยนะ น่าสนใจอย่างก็ก็คือว่าเพื่อนแต่ก่อนเนี่ยบอกค่อยรู้ธรรมะบอกคยรับรู้ธรรมะเลยก็คิดว่าการมาสู่นี่มันประเสริฐที่สุดแล้วนะการมาสู่นี่ประเสริฐที่สุดมีเงินก็เที่ยวเล่นกินดื่มคิดแค่นั้นนีละแต่ว่าพอ ได้รู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นนะก็ถือคือธรรมะคือการพ้นทุกข์นะเพื่อนก็หันมาหาเลยหนะันมาหาของดีไอ้ที่เคยเชื่อเป็นของประเสริฐเช่นเงินทองการมาสุขนี่ก็กลายเป็นตกกระป๋องไปเลยนะไม่เอาละ เพราะว่ามีของที่ดีกว่าบางอย่างก็เลิกไปเลยนะเช่นการกินเหล้าเนี่ยเลิกการดูละครฟ้อนลำเลิก เ, เพราะว่าเจอของดีส่วนเงินทองก็อย่างที่ว่าแนละ้วก็แทนที่จะามาใช้บารุงบําเรอความสุขส่วนตัวก็เอามาแจกเอามาทำบุญ ที่น่าสนใจนี่คือเพื่อนนี่พอจะพูดใจเพื่อนสางเมาเลยนะสางเมาเลยได้สติเลยคนเรานี่สางเมาหรือว่าได้สติด้วยหลายเหตุผลนะอย่างสันสติอา ม, มันนี่สางมาเพราะว่านางนางลำคนโปรดนี่ตายลำจนตายนะคือว่าคงวัวใจวายนะ เพราะว่าลำทั้งวันทั้งคืนตั้งเจ็ดวันไม่ได้พักผ่อนตายคาที่เลยสารเสรมานี่เห็นก็เห็นคนลักตายนี่หายเมาเลยนะแต่ว่าอุคตะข้าบดีนี่เจอผู้เจ้านั่นแหละหายเมาเลย เมาเล่านี่มันสั่งง่ายกว่าเมาอย่างอื่นนะเช่นถ้าโกรธเนี่ยโกรธโกรธนี่บางทีสัสง่งสั่งเมานี่ยากนึกไม่เคยเห็นนะคนที่โกรธโกรธแล้วก็พอเจอพูทเจ้าแล้วก็หายโกรธนี่ยังอ่านประเจอเนะโกรธมากๆเลยเจอพุทธเจ้านี่หายโกรธ หรือว่าเศร้ามากมานี่เจอคุเจ้าก็หายเศร้านี่แต่ประเภทว่าเมานี่เจอคุเจ้าลหายเมาเนี่ยนี่มีอยู่นะตัอย่างอุคตาคบ ด, ดีเนี่แปลว่าเมาเหล้านี่มันมันยังมีโทษน้อยกว่าเมาอารมณ์นะเมาอารมณ์นี่มันเลิกยากเมาเหล่านี่มันง่ายกว่า เมาอารมณ์เช่นเศร้าเมาอารมณ์เช่นโกรธเนะี่ยพวกนี้นี่สังยากนะแต่มเมาเรานี่สัางง่ายกว่าพออุกตากับดีนี่รู้สึกตัวขึ้นมานี่นะฟังธรรมปั๊บเดียวนี่บรรลุธรรมเลย กปลความรู้สึกตัวนี้ก็สําคัญความรู้สึกตัวนี้สําคัญนะคือทําไม่รู้สึกตัวแล้วนี่อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะจะทําบุญให้ได้บุญได้ก็ต้องมีความรู้สึกตัวก่อนเป็นอย่างแรกจะรักษาศีลให้ได้ให้ได้บุญนี่ก็ต้องรู้สึกตัวก่อนคือมีสติ ทำบุญแต่ถ้าบ่มีสตินะมันก็ได้บุญน้อยนะเช่นทำบุญเข้าแถวเพื่อที่จะทำบุญแต่หงุดหงิดนะหงุดหงิดว่าแถวมันยาวคิวมันยาวนะงี้ได้บุญน้อยหรือว่าอยากจะทำบุญแต่เห็นคนอื่นเขามีของมาถวายเยอะกว่าก็อิจฉาเขา ไอตอนที่อิจฉานี่มันก็ได้บุญน้อยแล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่มีสติไงให้ความอิจฉาเข้ามาครอบครองใจถ้าความอิจฉามันเข้ามายึดครองจิตใจแล้วนี่เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะจะฟังธรรมให้รู้เรื่องได้บุญนี่ก็ต้องรู้สึกตัวก่อนนะ ถ้าใจลอยคิดน่นคิดนี่เนี่ยฟังไปก็เหมือนกับน้ำล้นแก้วนะน้ำล้นแก้วนี่น้ำเต็มแก้วนะเติมอะไรลงไปมันก็ล้นหมดนะอะไรที่มันเต็มแก้วนะก็คือความฟุ้งซ่านนะ่ยแก้วก็เปลี่ยนนก็ใจถ้าใจเบาว่างใจ มันก็เหมือนกับมีอะไรอยู่เต็มแก้วเติมอะไรไปก็ล้นหมดใจที่คุ้งส่านเนี่ยคือใจที่ก็เปรียบกับ น, น้ำที่เต็มแก้วหรือแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มเติมเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ล้นหมดความสึกตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นในใจมันว่างเมื่อมีความสึกตัวในีใจมันจะว่างว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์ เติมธรรมะลงไปก็ได้เต็มเต็มนะเติมร้อยก็ได้ร้อยเรียกว่าเต็มร้อยเลยนะใหความรู้สึกตัวนี่สำคัญนะจะทำอะไรต้องมีความรู้สึกจะทาดีนี่ต้องมีความรู้สึกตัวก่อนเป็นเบื้องแรกภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็ต้องรู้สึกตัวนะเพราะถ้าไม่รู้สึกตัวนี่มันมันหลงนะ มันหลงบางทีก็หลงในสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะเช่นหลงติดสมาธิเงี้ยหลงติดความสงบหลวงตามหาบูวนี่ตอนที่พัเป็นพัฒ น, นุมเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มันน่นเพื่อนทำความเพียรจนกระทั่งได้ความสงบได้สมาธิ แ น, แน่วแน่เป็นชั่วโมงเป็นวันแล้วเพื่อนก็ติดนะไม่อยากทําอะไรเลยตาก็ไม่อยากดูหูก็ไม่อยากฟังไม่อยากคิดอะไรทั้งสิน้นติดสงบอย่างนั้นแหละตจนกระทํางไปคิดว่าเนี่ยคือ น, นิพพานเพื่อนติดนย่อยู่ห้าปีนะจนกระทั่งเจอตระทั่งหลวงปู่มั่นที่ต้องต้องเรียกว่าอะไรต้องต่อว่าเลยนะ เรียกว่าไล่ไล่ไล่ออกจากสมาธิขนาดนะขนาดอย่างแรงนะจนกระทั่งหลุดจากสมาธิหลุดหมายความว่าได้คิดว่าโอ้ไอสมาธิที่เรามีนี่มันมันบาแม่นของแท้ของจริงหลวงปู่ม่านบอกเนี่ยเหมือนกับสมาธินอนตายนะสมาธิแบบหมูขึ้นเขียงนะ มูขึ้นเคียงคือมันก็นอนตายรอให้เข้ามาสับนะเป็นสมาธิที่ไม่ได้ลื้อถอนกิเลสเลยเป็นสมุทัยทั้งแท่งเลยนะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะก็เลยได้สติขึ้นมาแต่ก่อนติดสงบติดสงบนี่มันก็ไม่มีสติได้เหมือนกันนะติดสงบนี่พอได้สติคุ้มนี่มันสลับเลยนะ คือสงบก็รู้ว่าสงบนี่อันนี้มันไม่ติดนะแต่ถ้าสงบแล้วไม่รู้ว่าสงบมันติดเพลินไอเพลินนี่ก็เป็นความหลงแบบหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่พวกเรานี่หลงแบบนี้นี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไปเจอหลงแบบอื่นนะหลงอารมณ์หลงเมาอารมณ์จมอยู่ในความเศร้าคว า, รความโกรธความเครียดความสูญ อันนี้เมาทั้งนั้นนะเป็นความหลงอย่างหนึ่งแต่ยังดีกว่าเมาเล่าเมาเล่านี่มันทำให้ตายได้ขับรถแหกโค้งเพราะเมาขับรถชนต้นไม้เพราะเมาหรือไม่ขับรถชนคนอื่นเพราะเมา โกรธนี่ก็ทำให้เมาได้นะเคยเล่าไปแล้วนะโกรธพี่นะบอกให้พี่เลิกเล่านะเลิกเล่าข่าบภาษานี่ยเพื่อนหวังดนนีน้องบอกพี่ให้เลิกเล่าข่าบราษาพี่บอยอมนะยังกินอยู่นะน้องก็เครียดก็ว่าพี่ ว่าเท่าไหร่ก็ไม่เลิกก็ยิ่งโกรธก็ดา่าเลยคราวนี้ไม่ว่าแล้ด่าเลยนะมีวันหนึ่งพี่กินกินเหล้าอยู่กับเพื่อนน้องชายก็ไปดา่านะหวังดีนะหวังดีอยากอยากให้พี่เลิกเหล้าแต่พอพี่ไม่ทําตามที่หวังนี่โกรธนะความรักความเมตตามันพลิกไปเลยนะเป็นความโกรธเป็นความเกลียดก็ดา่ดาด่า พี่โมโหเปิดคว้าขวานมาจะมาจามน้องชายเพิ่อมีคัตเตอร์อยู่นะรู้จักคัตเตอร์บะตัดกระดาษนี่ก็แล้วคัตเตอร์นี่สู้นะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนนี่ห้ามอาไว้ไปดึงพี่ออกมาพี่นี่ก็เมาจัดนะเมาจนกระทั่งหมดแรงเ อ, เอ้หมดจนรทั่งเป็นลมเลยมั้ง เพื่อนก็นเลยไปเรียกรถไปเรียกรถพยาบาลมาก็เหลือแต่น้องกับพี่สองคนน้องนี่โกรธนะพี่จะมาเอาขวานมาจามหัวกูเครียดมากโกรธมากเห็นอยู่กันสองต่อสองนี่บอมีใครน้องก็เลยเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดคอพี่ตายกรีดเสร็จรู้ตัว พี่นี่เมาเมาเหล้าแต่น้องนี่เมาอารมณ์เมาความโกรธพอฆ่าเสร็จนะถึงค่อยหายเมานะให้เมาความโกรธเนี่ยนะมันสางได้ง่ายเหมือนกันนะเวลาทําเสร็จไปแล้วเนี่ยทําตามความโกรธแล้วถึงค่อยสางทํร้ายข้าวของแล้วถึงค่อยสางหรือดาวไปแล้วถึงค่อยสั่งสั่งเมา ก็พอรู้ว่าตัวเองทำอะไรไปก็เลยนั่งคอตกรอให้ตำรวจมาจับไปนะความปรารถนาดีนี่ปรารถนาดีกับพี่นะอยากให้พี่เลิกเล่าความปรารถนาดีถ้าไปยึดติดยึดติดมากๆนี่มันเป็นโทษด้วยมันกลายเป็นความโกรธความเกลียดไม่สมหวังนะ้ความปรารถนาดีนี่มัน ถ้าว่าปาฏิาริย์ดีไปไม่สมหวังก็เป็นการโกรธแล้วก็เกลียดหวังดีต่อพี่สุดท้ายลงเอยด้วยการไปฆ่าพี่นี่มันประหลาดนะคนที่หวังดีกับพี่เป็นยังนะมันจึงลงเอยด้วยการไปฆ่าพี่ตายนี่เพราะความเมาเมาอารมณ์เพราะความโกรธทําไมถึงโกรธก็เพราะว่าผิดหวังผิดหวังเรื่องอะไร หวังดีกับเขาแล้วก็ไม่ทำตามบางคนก็หวังดีกับพ่อหวังดีกับแม่อยากให้พ่อเลิกเหล้าอยากให้แม่คุมน้ําหนักคุมน้ําตาลอย่าไปกินของหวานแม่ไม่เชื่อพ่อไม่ฟังลูกก็ผิดหวังก็ว่าเลยโกรธนะพอผิดหวังก็กลัวก็กรักรแล้วก็ว่าดา่าเสร็จแล้วก็มาเสียใจ เสียใจทำงานบางทีก็เอาหัวโขกกาแพงอยากตายอยากตายทำไมกูไปว่าพ่อว่าแม่อย่างนั้นไปกันใหญ่นี่ก็เมาอยู่เหมือนกันทีแรกเมาความกลวดต่หลังเมาความเสียใจทํถ้าไมรู้ถ้ารู้สึกตัวนะถ้ารู้สึกตัวพอกไอ้พวกนี้มันเล่นงานจิตใจเรได้นะทำความรู้สึกตัวซนะ นแน่ใจเวลาเจ็บเวลาป่วยถ้ารู้สึกตัวนี่มันมันป่วยแต่กายนี่ใจนี่เป็นปกติไอ้ที่ปวดทุกทุกทุกทุกนี่เพราะว่ามันความรู้สึกตัวมันหายไปมันก็เลยไปเอาความทุกข์กายมาเป็นความทุกข์ใจจะรู้สึกตัวแล้วมันเบาถึงแม้ยังเจ็บยังป่วยอยู่แต่เบาอาจารย์กำพลีเนเพิ่นพิการเนี่ย แต่เพื่อนบอกว่าพอได้ปฏิบัติทํรรู้สึกตัวขึ้นมานี่มันเบาเลยไม่เอากายมาเป็นพาไลา่ต่อไปไม่เอากายเป็นพารลาของใจแต่ก่อนทุกทุกทุกยังอยากจะตายนะพิการหมดอนาคตอันนี้เลยว่าไม่รู้สึกตัวนะจมอยู่ในความทุกข์ แต่พอรู้สึกตัวได้โอ้กายก็ส่วนกายมันจะพิการยังไงก็เป็นเรื่องของกายใจนี่สบายไม่เอากายมาเป็นภาลังยังให้รู้จักเนอะความรู้สึกตัวทําแล้วก็ให้รู้สึกตัวทําอะไรก็ทําเป็นอย่างย่านงะเดินก็ให้รู้ว่าเดิน ไม่ใช่ตัวเดินใจคิดกินก็รู้ว่ากินไม่ใช่ปากเคี้ยวแต่ใจคิดนอนคิดนี่เวลาอาบน้าก็ให้รู้สึกตัวไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับให้รู้แต่ว่ากำลังอาบน้าเวลาอยู่กับลูกอยู่กับหลานก็เออก็ใจก็อยู่กับลูกกับหลาน มันมีความเครียดความสูญในใจก็ให้รู้ทันเพราะว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกตัวได้ยากคืออารมณ์นี่แหละความรู้สึกตัวความหลงนี่มันเป็นปฏิปักกันเลยหลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวและที่หลงก็เพราะว่าเมาเมาละรเมาถ้าไม่เมาเราก็มาอารมณ์ อารมณ์นี่ก็มีทั้งลบและบวกได้อารมณ์ลบก็เช่นเศร้าโกรธเครียดสูญอารมณ์บวกคือดีใจดีใจนี่ก็ทั้งทำให้ทำให้เมาได้เนี่ยสุขก็ทําให้เมาได้เมาสุขนะหรือเมาสมาธิอย่างที่เล่าหลงหลงตามมหาบัวเพื่อนก็เคยหลงสมาธิมาก่อนทําให้เนิ่นช้าในการปฏิบัติความสุขก็ทําให้หลงได้ทําให้เมาได้นีดีใจมากๆก็ลืมตัวนะ ได้ถูกรอตเตรี่ลามาที่หนึ่งห้าายโอ้ยดีใจหลายขับรถนี่ใจฟุ้งใจลอยเลยนะกูจะเอาเงินไปใช้อะไรดีนะดีใจมากนะก็เลยประมาทอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ดูว่าเดินเนี่ยดีดีใจมากนยะเดินลงบันไดนก้าวเท้าพ้าตกบันไดหัวกระแทกพื้นสมอง กระเทือนหรือไม่ก็คอหักเนี่ยนี่พอดีใจมากมันก็หลงมันก็ไม่รู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวนี่มันพอดีพอดีเนี่ยมีแล้วมันทำให้จิตใจเป็นปกติทำให้เบาทำให้เห็นธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมได้ได้ตรงตามความมุ่งหมาย ปฏิบัติได้ถูกทาสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของธรรมะเช่นทานนี่จุดมุ่งหมายเพื่อลดความตหนหีเพื่อกําจัดความตันหนี ถ้าให้ทานด้วยความสึกตัวนี่ความตณีก็ลดลงแต่ถ้าให้ทานด้วยความด้วยความโลภด้วยกิเลสนะมันก็ได้บุญน้อยนะก็คือให้ทานเพราะอยากรวยให้ทานเพราะอยากได้อยากเอาไม่ใช่อยากละไม่ใช่เพื่อกํามจัดความตณีอันนี้เรียกว่าปฏิบัติทำไม่สมควรแก่ทำนะอยู่วัดก็ให้รู้สึกตัวออกจากวัดอยู่บ้านก็ให้สึกตัวเลย อย่าให้อย่าหลงอย่าเมาอารมณ์นะเอาละก็พอสมกับเวลาแล้ว